ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิยานได้นำเสนอคำว่าพรหมจันทร์สืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงข้อสุดท้ายที่จริงก็ค่อนข้างจะเป็นบทสรุปนะฮะท่านชายคำว่าศาสนะพรหมจันทร์หมายความว่าเป็นบทสรุปคำสอนทั้งปวงของพระพุทธเจ้า หรือาจจะพูดโดยสรุปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ได้เรเรียกว่าสัทธธรรมหรื อ, อจจะพูดประธรรมอินัยก็ได้หรื อ, อ จ, จะพูดประไซสิกขา S S หรือว่าทานศีลภาวนาก็ได้นะแต่ว่าโดยปริยายนี้ท่านเรียกว่าเป็นนวังกษัตริยศาสตร์คือเป็นรูปแบบในการสอนคําธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อจําแนกโดยรูปแบบโดยโครงสร้างเนี่ย มันจะมีอยู่สี่ลักษะอยู่เ้าลักษณะด้วยกันแล้วก็เรียกว่านาวังกษัตริย์ศาสตร์คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีองค์เก้าหรือคุณลักษณะเกประการแต่เบื้อเนื้อหาสาระของธรรมะแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าจริงๆก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเปลี่ยนแต่ว่าทรงปรับเปลี่ยนรูปแบบพิธีในการสื่อสารเพราะว่าผู้ฟังนี่มีพื้นฐานไม่เหมือนกันธรรมะส่วนใหญ่มันก็ออกมาในแนวรุ่งโรจ คือคอยตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟังพอผู้ฟังก็สามารถจะรู้จะเข้าใจได้โดยวิธีใดก็ใช้วิธีการสื่อสารอย่างนั้นแต่เนื้อหาสาระของธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่อื่นไปจากเริยสัจ ส, สี่นะ่ถ้าเราจับประเด็นได้ก็จับประเด็นโดยพยัญชนะโดยอัฐให้ได้ ก็ไม่เห็นว่าเป็นความสลับซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยท่านให้นัยยะที่วิจิตพิสดารแล้วก็จำแนกแยกแยะออกไปเช่นสมมติเราพูดปัญญาคำเดียวเนี่ยในที่บางแห่งอธิบายเสียเยอะเหลือเกินข้าความเนี่ยคำว่าปัญญาคำเดียวคำว่าสติคำเดียวนี่เรียกกันเยอะเลย จะถามมันทำไมจึงเรียกมากอย่างนั้นเพราะว่าคนฟังเนี่ยมันแตกต่างกันและภาษาก็แตกต่างกันด้วยคนคนหนึ่งใช้คำอย่างหนึ่งแกเข้าใจอ่ะใช้คำอีกหนึ่งไม่เข้าใจมันโครงสร้างเหล่านี้จะต้องจับประเด็นให้ได้อย่างหนึ่งคือมันมีความเป็นปฏิเวทสธรรมโดยสถานะหมายความธรรมะเหล่านี้ออกมาจากโอดของพระพุทธเจ้า หลังจากได้ศ ส, สรุปเพราะเป็นธรรมชสัมผัสตรงมันไม่ใช่แบบปรัชญาหรือแบบความคิดแบบจริยศึกษาของฝรั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มีการคิดค้นออกมาแล้วคนไทยก็ไปเหอแบบความคิดของฝรั่งเหมือนอ้ไรเนี่ยแลย้วเห็นว่ามันคิดแบบปรัชญาคิดแบบเพื่อฝันแล้วตัวคนคิดเองก็ไม่ได้ผ่านการปฏิบัติและไม่เข้าใจกระบวนการ ในข้อใจกระบวนการของธรรมะเหล่านั้นว่าจริงๆเนี่ยมันถ้าคุณแยกเดี่ยวมาอย่างนั้นแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพระพุทธเจ้าในี่สงสอนจากสัมผัสบางครั้งก็อาจจะใช้คำเป็นคำเดียวแตลว่ามีพลานุภาพในการจะบรูรณาการตัวเองกับธรรมะข้ออื่นๆ พลธรรมะระดับนําเนี่ยเราจึงเห็นว่ามีพลังเช่นศรัทธาเช่นความเพียรเช่นสติเช่นสมาธิเช่นปัญญาเนี่ยเตรียมพร้อมจะดึงสิ่งต่าอื่นเข้ามาโดยกระบวนการของธรรมะปฏิบัติแต่ว่าเมื่อพระรุษเจ้าทรงแสดงแก่ปัญญาวิเครทรงแสดงแก่ปัญญคีเนี่ยพนเปล่งออกมาจากพระโอษมันมีความเป็นปฏิเวทแต่เมื่อเข้าหูปัญญาคีมันก็เป็นปริยัติ คือปันโดกีก็ก็ศึกษาแล้วพระปันณดกีท่านก็นําไปปฏิบตัติแล้ก็เป็นปฏิบตัติแต่พอเกิดขนเนี่ยมันตรงกับที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองเพราะว่าถ้าผลออกมาไม่ตรงกันก็หมายความปฏิบตัติผิดตอนั้นที่พระพุทธมลัที่รับสั่งแก่ท่านปันโวกีนี่ว่าพวกเธอปฏิบัติ อยู่ตามที่เราสั่งสอนไม่ช้าสักเท่าไหร่จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุด แ, แห่งภูมิจันทร์แสดงว่ามันจะต้องปฏิบัติไปตามหลักตามหลักที่เราศึกษามาถึง ส, ส่วนใหญ่เราก็พูดในฐานะเป็นปริยัติ แล้วก็ความที่น่าสังเกตน่าสังเกตเวลานี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกที่ไม่ค่อยศึกษาแล้วเรียนอะไรกันเท่าไหร่มกักจะปฏิเสธมองพระไตรปิฎกคล้ายๆกับห น, นังสือเล่มหนึ่งหนังสือนิทานเล่มหนึ่งหนังสือนารยาญเล่มหนึ่งไม่มีคุณค่าอะไรถึงอันตรายต่อศาสนามากนะครันั่นแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นไม่เคารพต่อพระศิษธรร ทนี้พระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยโดยสรุปก็คือพระธรรมวินัยในท่าขาดการยอมรับหนังสือสัทธาจากศาสนาิกแล้วก็จบคือทําหน้าที่ไม่ได้เพราะอะไรพระธรรมนั้นเราต้องโอปะนายโกคือเราต้องน้อมนามาปฏิบัติแต่เราไม่น้อมนํามาปฏิบัติก็ไม่เกิดผลใจธรรมะก็คงเป็นธรรมะอยู่นั่นแหละไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าทําหน้าที่ตัวเองไม่ได้ หากคนไม่น้อมนำมาปฏิบัติทีนี้ลักษณะของอนวังกรกษตุศาสตร์ที่จริงไม่เป็นการพูดถึงโครงสร้างือรูปแบบวิธีการนำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อแรกเนี่ยก็คือสุตตะหรือพระสูตรไต้แก่อุปโต ว, วิพังคือการจำแนกออกไปเป็นสองกลุ่มแล้วก็ปริเทศปนิเทศทั้งหลายเนี่ยเช่นว่า จุลนิเทศหมานิเทศพวกนี้จะอธิบายพิสดารมากแต่พวกขันธะทั้งหลายพวกบริวารจะเห็นว่าโครงสร้างตรงเนี้มันก็ไปครอบคลุมทั้งตัวพวกวินัยด้วยอุปโต ว, วิพังพิคุวิพังพิคุณีวิพังเนี่ยมันโครงสร้างมีเรื่องราวมีตัวอย่างมีบุคคลมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ประสูตรทั้งหลายในพวกสุดตนิบาศสุดตนิบาศนั้นเป็นโครงสร้างคําสอนในด้าน วรรณคดีในด้านภาษาเนี่ยรู้สึกว่าเก่าเป็นภาษาค่อนข้างโบราณและพระพุทธวจนะอื่นๆที่ชื่อว่าสุตตะกล่าวโดยสรุปก็คือวินัยบิดกดคำพีนิเทศทั้งสองแล้วก็ประสูตรทั้งหลายก็หลายเล่มนะฮะประสูตรทั้งหลายที่นี่ในในความเป็นประสูตเนี่ยไม่จะแสดงแนวสูตรอย่างเดียว โบนี้โดยโครงสร้างมันจะต่างกันยาวบ้างสั้นบ้างนะกะก็แล้วแต่แต่พระสูตรนี่จะมากเฉพาะวินัยวิโดกเองก็กมีตั้งแปดเล่มแล้วนะแต่ตัวพระสูตรที่เป็นพระสูตรต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่มากคือถ้านับแล้วเนี่ยแต่นับธรรมขันนี่จะน้อยกว่าพิท ร, รมนะฮะแต่ถ้านับโดยจํานวนหน้าจํานวนข้อความแล้วเนี่ยจะมากเคยยะเคยยะได้แปล เพลงขับนะฮะเพลงขับเพลงร้องคล้ายๆกับฉันทะลักพวกทั้งฉันทะลักต่างๆเนี่ยเป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองผสมกันก็เป็นพระสูตรที่มีคาถามันจะมีการบารรลบเรื่องราวแล้วก็เสร็จแล้วจะกล่าวจบลงด้วยคาถานะเช่นอะไรนะเช่นมงคลสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นต้นมาอย่างงั้นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะเป็นคาถาเสวนาจะบาลานังอะไรต่ออะไรก็เป็นคาถา อันนี้เป็นแนวของเคยะอยู่ในช่วงที่เป็นคาถาเขาเรียกว่าเป็นเคยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในในสกาทวะสังยุตติายวันนี้จะเป็นเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมบ้างๆอะไรแต่ไรบ้างมาเฝ้าแล้วกระทูลถามปัญหาเป็นเป็นฉันพระเจ้าก็รับชั่งตอบเป็นฉันในยันหนึ่ง ก, ก, ก, ก็เรียกไวยกรก็ได้แปล ความร้อยแก้วล้วนนะฮะเช่นพวกอภิธรรมบิดกทั้งหมดก็สิบสองเล่มนะฮะแล้วระสูตรที่ไม่มีคาถาพระพุทธพจน์เหล่าอื่นมีลักษณะอย่างอื่นที่ไม่จัดเข้าในองค์แปดเนี่ยมันอยู่ในประเภทที่เรียกวุวยากรแล้วพวกคาถาคาถานี้ก็จะเป็นคาถานะฮะเช่นมโนปุบังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเป็นต้นเนี่ยมันเป็นฉันแล้วล เราดนซีเข้ามาประกอบลองดูนะฮะให้นักร้องรองดูเถอนั่นเป็นเพลงเป็นเพลงไพเราะอย่างพวกลังกาก็ร้องพวกอินเดียขรองเนี่ยจะไพเราะมากฉันสารพัดฉันนะอยู่อยู่ในพวกคาถาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เราพวกฉันทั้งหลายที่เรามันแต่งแต่งกันก็ที่ยิ่งก็ามาจากบาลีคือยังสงสัยอยู่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นผลงานของประวังขีสาร ระวังคีาสานั้นท่านเลิศในทางปฏิปานควางพระพุทธเจ้าเทศแล้วเนี่ยพระพุทธ เ, เทศเป็นร้อยแก้วธรรมดาท่านก็สรุปเป็นร้อยกลองขึ้นมาทันทีแล้วก็ขอพุทธานุญาตพิเศษว่าบางเรื่องเนี่ยจะขอสรุปเป็นร้อยกลองไว้เพื่อมันง่ายต่อการจํานะบาลีเนี่ยถ้าทําเป็นร้อยกลองทําเป็นฉันแลจะจําง่ายจําง่ายกว่าภาษาไทยนะ ถ้าเราเรียนบาลีมาแล้วก็ท่องบาลีกับท่องไทยเนี่ยท่องท่องบาลีจะจําง่ายกว่าเพราะนั้นพวกคาถาต่างๆเช่นพวกธรรมบทพวกคาถาของพระเทราประเทรีพวกคาถาล้วนๆตลอดถึงแม่ในพระสุตรต่างบิดกก็ลพระสุตรตานิบาศก็ยังถือว่าได้ชื่อว่าพวกพวกกลุ่มที่ไมนเป็นค า, านะ ประการต่อไปอุทานเป็นข้อความสั้นๆเป็นอุทานพระพุทธเจ้าประทับอยู่เพียงพรุงค์เดียวก็มีทั้งหมดก็แปดสิบสองบทด้วยกันเช่นตอนพูดมาในตอนต้นๆ น, นะตอนที่ว่าโดยปฏิจจสมบาทเราจะเห็นว่าก็มีพุทธอุทานอยู่สามคาถาสามแห่งแล้วก็มีอุทานที่เรียกว่าเป็นปฐมพุทธโคตประกบการเวียนว่ายตาเกิดในสังสารวัฏ ข, ของพระองค์ หรือประทับเสบยวิมุตติสุขอยู่ในที่ต่างๆเช่นว่าต้นจิกชื่อมุตจลินเนี่ยก็ทรงเปล่งพระพุท ธ, ธอุทานอุทานเนี่ยที่จริงไม่มีคนฟังนะก็เป็นเกิดด้วยโสมนัสยานของพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายแล้วก็ท่านก็เปล่งขึ้นมาข้อความแต่ละข้อเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่ลึกซึ้งซึ้งมากก็มีแปดสิบสองบทเท่านั้นเนองก็ต่อไปก็เรียกว่าอิติวุติกะ ก็ได้แก่พระสูตรรวมทั้งหมดก็ร้อยสิบสูตรคือข้อความในมันต่างกันขึ้นโดยคํำบรราวุทตเตเหตังปนะักวัตาสมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็อ้างนะฮะก็แสดงว่าข้อความเหล่านี้พระบูด า, าจา่าเน่ยท่านฟั่งมาฟังมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นํามาเล่านํามาสู่สังขยานณะ์ทีนี้ ในที่บางแห่งนนเนี่ยทายโกชากมโเอโเมตุตังอันนี้ก็สมจริงดังคำที่พระพุทธเจ้าได้จัดว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างข้อความก็เป็นธรรมะในอริยสัจสี่เหมือนกันแล้วก็ชาดกชาดกแปลว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบเรื่องแต่เมื่อก่อนในเมืองไทยเรามีแค่ห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยเก้าตลเก้าสิบเจ็ดเรื่องอย่างนีน้แล้วก็เพิ่งได้มาครบ จากร่างกายสามเรื่องก็เวลานี้ก็ครบแล้วนะฮะก็เป็นการนำอดีตชาติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายในส่วนมากแล้วเนี่ยพระเจ้าจะเกิดร่วมอยู่ด้วยแต่อาจจะไม่เป็นตัวเอกในเรื่องนะฮะบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวเอกแต่ในทศชาติเียเราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นตัวเอกแต่ถ้าเราดูในเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นเจตน์ตัวเอกเป็นตัวประทับและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเอก เพราะว่าจะมีบทบาทหลักมนะความบทบาทหลักนี้จะอยู่ตรงนั้นแต่ที่ประรบก็อาจจะประรบ ค, คนอื่นตรงนี้มีเรื่องราวเขานับตามจานวนคาถาซึ่งท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินว่าคาถาที่มากที่สุดยาวเยียดเนี่ยคือคาถาเรื่องพระเวสสันดรมีถึงพันกระคาถาก็เรียกว่าเรียบเรียงเป็นคำพีก็หนึ่งคำพีแหละ เวลาพระเทศก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เพราะพระท่นว่าเป็นฉันฟังแล้วเพเราะเราก็ชื่อถือตามเรื่องของพระมาลัยเทวเถรมาว่าถ้าใครต้องการจะเกิดพราธศาสนาประสีอาน <c oughs> ก็ขอให้ฟังเรื่องเวสสันดรชาดกขยจบในวันเดียวรวมแล้วก็สิบสามกันนะสิบสี่ทั้งพวกคัถา คาถาเป็นบาลีล้วนๆพวกสิบสามกันเนี่ก็ว่ากันไปมีจังหวะมีทํานองสนุกสนานแล้วก็เป็นเป็นชาดกที่เรียกว่าอยู่นานที่สุดแล้วก็เป็นจิตกรรมเป็นปฏิมากรรมเป็นวรรณกรรมแล้วก็เป็นศาสนพิจิตรศาสนาศึกษาศาสนาปฏิบัติเนี่ยมัน ม, มันจะ หลากหลายเลยเกินเพราะเป็นการสอนธรรมะจากบุคลิกภาพของตัวละครแต่ละท่านเนี่ยแต่ท่านในเรื่องเวสนอนสะดกเนี่ยลองสังเกตว่าธรรมะมันอยู่ที่ตัวคนในรูปของการทำให้ดูพูดให้ฟังทำให้ดูแล้วก็ครองชีวิตได้เห็นก็กลายเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของคนดีคนชั่วในว่า คนดีคนชั่วนั้นมันไม่ได้อยู่เฉพาะชาตินั้นเช่นยกตัวอย่างว่าตอนสรุปชาดกตอนสรุปชาดกก็บอกว่าพระเจ้าคุงสนชัยก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสุโทโธธนะต่อมาบรรลุมาผลเป็นพระหันนะครประนางผุทสดีเนี่ยมาเกิดเป็นพระนางสริมามามยาแล้วก็ที่วงโคตไป ตอนประสูตรพระโพธิสัตว์ใหม่ๆแล้วก็บังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ชัน้นอุสิตขุจ้าก็เสด็จไปปกรองบรรลุมรรคผลไปประโสดาบัณเพราะถ้าเราดูถึงว่าพื้นอัธยาศัยของท่านในยุคที่เป็นพระเวสสันดรนะไม่ใช่ยุคที่เป็นแม่ของพระเวสสันดรเนี่ยคือท่านยังยึดติดในความสวยงามเยอะๆพรก็ท่านสิบข้อเนี่ยขอพื่ตัวเองตั้งแปดข้อ ขอเพื่อคนอื่นอยู่แค่สองข้อแต่นั้นเองซึ่งมันผิดกับพรที่พระเวสสันดรขอต่อท้าสากาเทวราชนะเราจะเห็นว่าขอเพื่อคนอื่นเท่านั้นวไม่ได้ขอเพื่อพรงเองตังเองก็ข้อหนึ่งนะแต่ว่าเพื่อจะมีโอกาสยืนอยู่ตรงนั้นได้จะทํางานตรงนั้นขอเพียงโอกาสเท่านั้นเองโอกาสในการจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พระนางมัทรีก็มาเกิดเป็น ยะโสรธาราภาิมพาก็ต่อมาก็บานุมัพพลเป็นพระหันรเราจะเห็นวนะ่าลักษณะนิสัยของท่านเนี่ยสงบเย็นจะเกินขณะพระเวสันดรไปยกให้แก่พราหมณ์ปลอมหรือท้าศ ก, กาปร้อมมาเนี่ยท่านยังไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกโทมนัสครับแพนใจแต่ประการใดแสดงถือว่าบารมีในสูงมากพ้ะราคุ้นกับกันหา ไม่ใช่เป็นราขุนกับปรชาลีนะฮะประชาลีเนี่ยมาเกิดเป็นพระราขุนก็บรรลุมาขุเป็นรหารเหมือนกันเป็นรหารที่ใคล้ต่อการศึกษาเป็นสามัญในรูปแรกในพุทธศาสนาการหาซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นเด็กเนี่ยมันมีวุฒิที่ภาวะมากทึ่งมากเข้าใจเหตุผลที่พ่อได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังว่าเป็นเรื่องจะต้องช่วยกันในสามกรณีเรามาก็อาบวชเป็น อักษรวิกาของพระพุทธเจ้าที่เลิ่อในทางฤทธิ์นะคือพระบุญวนาเทวีท้าศ ก, กเทวราชก็มาเกิดเป็นพระนุรุตหรือ ว, ว่าอะไรล่ะหรือสีนะก็มาเกิดเป็นภาษาริบุตรเป็นต้นเนี่ยทีนี้ชุ ช, ชุชูชกกนางอะไรอะเตดาเนี่ยชูชกก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตมาล้างพระพุทธเจ้าต่อไป นางมิจตาก็มาเกิดเป็นนางกินจาบาิกาก็มาล้างฐานพระพุทธเจา้านั่นคือแสดงให้เห็นว่ากระบวนการกสังสารวัตเนี่ยมันถ่ายทอดมาในตัวของบุคคลมันมันมีติดลักษณะนิสัยพื้นฐานุษย์ทิพวะวัสนาบารมีต่างๆมันเป็นกระบวนเกิดดับที่ต่อเนื่องมานะอย่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่าเหมือนกับเราปลูกมะม่วงตอน ต อ, อ ก, กิ่งไปนะฮะตัดกิ่งไปหร้อเอ า, มาเมล็ดไปปลูกเนะี่ยมันไม่ใช่มะม่วงต้นเดิมหรอกแต่มันเกี่ยวเนื่องกันกับมะม่วงต้นเดิมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมะม่วงต้นใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติของมะม่วงต้นเก่าอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ต้นเดียวกันเพียงแต่ว่าสืบเนื่องถึงกันก็เป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลแบบน้ําไหลไฟสว่างฝนตกแดดออกเนะี่ยคลื่นในมหาสมุทร ทีนี้คำสอนในประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งนะฮะเขาเรียกว่าอภูรธรรมคือเป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วก็จะพูดเรื่องอัศจรรย์ที่ปรากฏในตัวคนเช่นพระอานนท์เนี่เป็นคนอัศจรรย์ยังไงบ้า ง, างเป็นคนพิเศษเราจะเห็นว่าเป็นสุดยอดของเลขาทีเดียวคือถ้าเรานับเลขาและพระอานนท์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลขาที่ทํางานทุกอย่างเนี่ย ประสบความสำเร็จและทำได้ดีก็ต่อไปก็เรียกว่าเวทันละได้แก่พระสูตรแบบสอบถามซึ่งผู้ถามได้ทั้งความรู้แล้วก็ความพอใจถามต่อไปเรื่อยๆนะ เ, เช่นว่าพระสูตรเจนสักกะปนาสูตรเนี่ยก็ถือว่าดัง หรือบางเรื่องมหาปุณณสูตรจุฬเวทัวนสูตรอะไรเนี่ยคือจะสูตรมาจะถามแล้วก็ถามพอพอใจก็ถามไปเรื่อยๆพระเจ้าก็รับสัรต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเป็นการแสดงหลักของอริยสัจสีนั่นเองเพียงแต่ว่าจะต่างกันในโครงสร้างในวิธีนําเสนอแต่เนื้อหาสาระแล้วก็จะเหมือนกัน คำว่านวัตประส ต, สตร์ที่จริงเป็นคํารุ่นหลังก็เราสังเกตดูชัดเจนว่าเป็นคําเรียกรุ่นหลังแต่ถ้าเราพบแล้วเราจะพบในคำภีร์รุณอัตกถาก็เรียกว่าคํารุ่นคำภีร์อปาทานพุทธวงศและอัตรกระถาบางทีก็เรียกว่าจินนศาสตร์หรือว่าพุทธวจนะบาลีทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมบ้างเรียกว่าสุตตะบ้างอะไร้วแต่ แต่วันเดือโดยเนื้อหาสาระก็คือเป็นพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในโครงสร้างเรื่องเหล่านี้ในฐานะของความเป็นพุทธก็คือศึกษาไม่ใช่พุทธบริษัทนะฮะหมายความเราก็ศึกษาศึกษาก็เป็นพระปฏิติสัทธธรรมแล้วนํามาปฏิบัติคือตัวพรหมจันทร์เนี่ยต้องปฏิบัตินะเพราะว่าพรหมจันทร์มันจะกลายเป็นผลแล้วก็แสดงออกมาเป็นรูปอาการ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ประเสริฐสมมุติว่าศีลหอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปล่อยอยู่เฉยๆอนาติปาตานินอาินาทานามันไม่ใช่อย่างนั้น่ mm hmm. มนุษย์มันก็ต้องสมถทานศีลแล้วก็นําไปปฏิบัติอาการที่แสดงออกทางกายทางวา จ, จาของบุคคลนั้นก็เป็นอาการของผู้มีศีลเแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีชีวิตที่ประเสริฐหรือว่าคนรักษาศีลบทสดหรือว่าคนที่ สามีที่ไม่นอกใจพัญญาพัญญาที่ไม่นอกใจสามีเนี่ยเราก็ศึกษาถึงคุณความดีของการที่ซื่อสัตย์ซื่อรตรงต่อกันของสามีพัญญาเห็นคุณค่าแล้วก็นํามา ป, ปฏิบัติคือพรห ม, มจรรย์ต้องออกมาเป็นอาการนะเป็นอาการที่สรุปแล้วก็คือว่ากายสงบระดับหนึ่งนะวาจาสงบระดับหนึใจมันสงบจากกิเลสระดับหนึ่ง ถามว่าทำไมใจสงบจังเกียริเพราะว่าใจมันมีธรรมะเหล่านี้ปกพรหมจรรย์ทั้งหลายนี่ปรากฏอยู่ภายในใจมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดแต่อย่าลืมว่าแต่ละข้อเนี่ยอเช่นเช่นศีนเองสีนเองก็สีอเลยนะนี่พุทธญาณติได้เห็นไหมบุคคลจะสมบูรณ์ในพกกุทธศพบสมบัติได้ก็เพราะศีนมาเกิดในสุคติได้ก็าประศีนมาลุกมาผลในผ่านได้ก็าประศีนคือสามารถ ยกระดับจิตบุคคลขึ้นไปในโครงสร้างของว่ามันมันถ้าเราดูแล้วนี่คล้ายๆกับแม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดพวกเกล็กด้วยกันเข้ามาก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนธรรมะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นออมาเริ่มด้วยกุศลกุศลอ ย, อย่างอื่นก็จะเกิดตามมาทุกฝั่งทั้งหลายใต้ลมรรติญาณในวันนี้คอยยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกำ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณาธทรม จงมีแด่ท่านผู้ฝังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี